บทที่แปดสิบสียอดกระตันยูกว่าจะเดินออกจากป่าได้สมพานวัยส5้าต้องเผชิญกับอุปสรรคมากมายโดยเฉพาะความเหน็ดเหนื่อยและความหิวบ้านแรกที่ท่านไปถึงเป็นบ้านไม้เก่าๆใต้ถุนสูงหลังคามุงแฝกดูจากสภาพบ้านก็พอรู้ว่าผู้เป็นเจ้าของคงอยู่ในฐานะยากจนขัดสนท่านจะช่วยสงเคราะห์เขา ไม่ว่าเขาจะสงเคราะห์ท่านหรือไม่ก็ตามนุมน้อยวัยเจ็ดเดินลงบันไดจะไปเก็บผักปังข้างรั้วมาต้มจิ้มน้ำพริกเห็นพระภิกษุมายืนอยู่หน้าบ้านก็บังเกิดความยินดีมารดาของเขาป่วยเป็นอมพาสมานานปีและเรียกร้องอยากจะเห็นพระแต่บ้านของเขาอยู่ไกลจากวัดมากจึงไม่มีพระมาโปรดในตอนเช้า ครั้นจะไปนิมนต์ท่านมาฉันเพนเขาก็ยากจนขัดสนเกินกว่าจะทำเช่นนั้นได้แต่สวดมนต์ไหว้พระอธิษฐานจิตทุกข่ำคืนขอให้มีพระมาโปรดมารดาบัดนี้คําอธิษฐานของเขาสำริกผลแล้วเด็กหนุ่มรีบเดินเข้าไปหาลงนั่งยองๆประคองอัญชลีถามท่านว่าหลวงพ่อมาจากไหนหรือครับอาตมาเป็นพระทุดง เพิ่งออกจากป่าดงพญาเย็นท่านพระครูตอบถ้าเช่นนั้นหลวงพ่อก็ยังไม่ได้ฉันเพลนสิครับถามอย่างยินดีอาตมาไม่ได้ฉันเพลนมาเจ็ดวันแล้วพ่อหนุ่มท่านตอบหลวงพ่อคงจะหิวผมนิมนต์ฉันที่บ้านผมนะครับที่นี่ไกลจากหมู่บ้านมากกว่าจะไปถึงคงเลยเพลงไปแล้วหากไม่รังเกียจว่าผมยากจนขัดสน นิมนต์ขึ้นบ้านเลยครับอาตมาเป็นพระภิกษุมีหน้าที่สงเคราะห์ญาติโยมไม่ว่าพวกเขาจะรวยหรือว่าจนเรื่องจะรังเกียจเดียดฉันไม่มีหลอกพ่อหนุ่มท่านตอบแล้วจึงเดินขึ้นบันไดหนุ่มน้อยรีบตามขึ้นไปจัดการหาเสื่อเก่าๆซึ่งมีอยู่เพื่นเดียวมาโปูให้ท่านนั่งตักน้ําฝนจากโอ่งมาถวาย ปากร้องบอกมารดาซึ่งนอนห่างจากที่นั่นประมาณว่าหนึ่งว่าแม่จ๋าพระมาโปรดแล้วหฮ้เอ็งว่าอะไรนะไอ้หนูสตรีอายุราวห้าสิบถามพรางหันหน้ามาทางลูกชายครั้นเห็นพระนางก็ยกมือทั้งสองขึ้นในท่าประนมพระทุดงมาโปรดเราแล้วจ้แม่แม่ได้พบพระแล้ว ฉันไหว้หลวงพ่อจ่ะต้องขออภัยที่ฉันต้องนอนพูดกับท่านแม่ผมเป็นอัมพาตลุกไม่ได้มาหลายปีแล้วครับหนุ่มน้อยกราบเรียนท่านพระครูจึงขยับเข้าไปใกล้แล้วถามว่าโยมอยู่กับลูกชายสองคนเท่านั้นหรือจ่ะหลวงพอ่อพวกบ้านฉันเขาตายไปเมื่อสามปีก่อนฉันมีลูกห้าคนเป็นผู้หญิงสี่ มีครอบครัวไปหมดแล้วเหลือแต่ลูกชายคนเล็กเขาบอกจะไม่ยอมมีเมียกลัวว่าลูกสะพ้ยจะรังเกียจฉันจะเราจนครับหลวงพ่อแม่จ๋าคุยกับหลวงพ่อไปเ พ, พลางก่อนนะหนูจะไปทำเพลงมาถวายท่านหลวงพ่อไม่ได้ฉันเพลงมาเจ็ดวันแล้วเขาบอกมารดาแล้วก็ลุกออกไปเตรียมอาหารที่ในครัวได้เกรงจะไม่ทันเพลง ลูกสาวโยมพากันมาเยี่ยมบ่อยไหมท่านพระครูถามมารดาของหนุ่มน้อยไม่มาเลยจ้ะหลวงพ่อเขามาครั้งสุดท้ายตอนงานศพพ่อเขานี่ก็สามปีแล้วยังไม่เห็นใครมาสักคนนั่งตอบตามจริงแล้วเขาส่งเงินทองมาให้บ้างหรือเปล่าท่านถามอีกไม่ได้ส่งจ้ะแบบนี้ก็ใช้ไม่ได้นะสิ คนที่ไม่กตัญญูต่อพ่อแม่ทำมาหากินไม่ขึ้นนะอาตมาไม่อยากให้ลูกๆของโยมเป็นอย่างนั้นเขาคงไม่ว่างกันนาะจาหลวงพ่อนางแก้ตัวแทนลูกๆไม่ว่างก็ต้องทำให้ว่างนี่อะไรตั้งสองสามปี ยังไม่มาหาแม่กันเลยโยมกับลูกชายมิลาบากแย่หรือจะทำยังไงได้ล่ะจ้าหลวงพ่อชั้นสองคนแม่ลูกลาบากมากทีเดียวบางวันต้องอดมือ้อกินมือ้อลูกชายชั้นเขาดีเหลือเกินเขาดูแลชันล้นมาตั้งแต่พ่อเขาตายใหม่ๆตอนนั้นอายุแค่14ก็ต้องมารับภาระหนักมากทั้งหุงหาอาหารอาบน้าป้อนข้าว เช็ดขี่เช็ดเยี่ยวเขาทำได้ทุกอย่างโดยไม่นึกรังเกียจเดียดฉันถ้าไม่มีเขาฉันก็ตายไปนานแล้วเป็นบุญของโยมที่มีลูกดีลูกที่กระตันอยู่ต่อพ่อแม่จะประสบความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตอาตมาไม่ใช่พระหมอดูแต่ก็ขอทำนายว่าลูกชายของโยมจะต้องเป็นเศรษฐีภายในสามวันเจ็ดวันจริงเหรอเจ้าหลวงพ่อ ถ้าเป็นอย่างที่หลวงพ่อทำนายก็แปลว่าหลวงพ่อนำโชคมาให้ฉันกับลูกฉันต้องขอบคุณหลวงพ่อมากจาก้ะแต่ฉันก็มองไม่เห็นว่าจะร่ำรวยขึ้นมาได้ยังไงเดี๋ยวโยมจะรู้เองพระธุดงตอบได้มั่นใจในธรรมานุภาพหนุ่มน้อยเข้าครัวไปก่อไฟตั้งหม้อข้าวเขาสาเหลืออยู่ทนานสุดท้ายแต่เขาก็เต็มใจจะถวายพระธุดง ซึ่งท่านอดอาหารมาถึงเจ็ดวันพรุ่งนี้เช้าเขาจะนำฟืนไปขายที่ตลาดคงจะมีเงินพอซื้อข้าวสารและของแห้งเช่นพริกหอมกระเทียมมาเก็บไว้สำหรับทำอาหารให้มารดาขณะรอให้ข้าวเดือดเขาลงไปเก็บผักปังข้างรั้วมากำหนึ่งเดินลอดต้ถุน จะขึ้นบันไดก็พบวัตถุก้อนกลมๆสีเทาสองก้อนซึ่งหยิบมาดูหากก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรจึงนําไปให้พระธุดงดูนี่เขาเรียกว่าเงินกลมพ่อหนุ่มจะเป็นเศรษฐีแล้วท่านพระครูบอกเขาท่านเห็นว่าในถุนบ้านชายหนุ่มมีหายสีเงินกลมฝังอยู่เป็นสมบัติบรรพบุรุษฝังไว้หลายสิบปีแล้ว ผมเหรครับจะเป็นเศรษฐีหลวงพ่อพูดเล่นใช่ไหมครับพูดจริงสิเอาละไปดูหม้อข้าวในครัวก่อนพูดตอนนี้เดี๋ยวไม่หนุ่มน้อยจึงลุกออกไปอย่างว่าง่ายข้าวในหม้อกำลังเดือดมีน้ำข้าวล้นออกมาใส่เตาเสียงดังแช่แช่เขารีบเปิดฝาหม้อและใช้ทัพีคนให้ทั่วปล่อยให้มันเดือดสักพักกระทั่งเม็ดข้าวสุกดีจึงยกหม้อลงจากเตา ปิดฝาใช้ไม้ขัดหม้อสอดตรงหูทั้งสองข้างแล้วก็รินน้ำข้าวใส่ชามไว้ระหว่างรอให้ข้าวเสด็จน้ำก็ขั่วถั่วริสงอันเป็นผลิตผลจากน้ำพักน้ำแรงของเขาเมื่อถั่วใกล้สุกจึงหยะอนน้ำปลาลงไปในกระทะเสียงดังชาชาใช้ตะหลิวกลับไปกลับมาจนน้ำปลาแห้งจับเป็นเกล็ดสีขาวรอ บ, รอบเม็ดถั่วจึงสุกพอดี ตักถั่วใส่จานสังกสียกกระทะลงนํามาข้าวขึ้นด่งไ ฟ, ไฟพลิกไปพลิกมาให้ข้าวระอุทั่วทั้งหมอ้อจากนั้นจึงตำน้ำพริกและต้มผักเสร็จแล้วจึงยกสำรับมาถวายพระธุดงท่านพระครูได้ฉันเพลนมื้อแรกหลังจากที่ไม่ได้ฉันมาเจ็ดวันท่านรู้ว่าเด็กหนุ่มจะได้พรานิสงอันยิ่งใหญ่ เพราะเขาได้ทำบุญด้วยความเต็มใจชั้นเพงเสร็จท่านก็ยะถาสัพพีหนุมน้อยและมารดาประนมมือรับพร อ, อย่างยินดีปรีดาจากนั้นจึงบอกเขาว่าสิ่งที่พ่อหนุ่มนำมาให้อัตมาดูนั้นเขาเรียกว่าเงินกลมเป็นเงินที่คนโบราณเขาใช้กันใต้ถุนบ้านพ่อหนุ่มมีหายบรรจุเงินกลมฝังอยู่ให้นำเงินกลมไปขายในเมืองวันละแปดสิบก้อน นำเงินไปฝากธนาคารไว้อย่านําไปเที่ยวหมดให้นําไปวันละ80ก้อนทําตามอัตมาบอกนะทําไมต้องนําไปวันละ80ก้อนครับเขาสงสัยเพราะถ้าเอาไปมากเป็นอันตรายกับตัวเองครับผมจะเชื่อหลวงพ่อพรุ่งนี้ผมจะเอาไปขายแต่เช้าและผมจะต้องขุดไหายขึ้นมาไว้ข้างบนเรือนไหมครับไม่ต้องเอาไว้อย่างนั้นแหละ ไม่มีใครมาขาโมยของเธอไปได้หรอกเพราะเขาไม่มีคุณสมบัติที่จะได้ทราบเหล่านี้แล้วจึงบอกมารดาของเด็กหนมว่าพอลูกโยมกลายเป็นเศรษฐีเขาจะพายโยมไปรักษาในเมืองโยมจะหายเป็นปกติในอีกสามเดือนข้างหน้าเพราะมีลูกดี ฉันยังมีโอกาสจะหายได้หรือจ้าหลวงพอ่อได้สิอาตมาช่วยแผ่เมตตาให้ขอให้โยมสวดมนต์ไหว้พระทุกคืนนะฉันลุกนั่งไม่ไหวลุกไม่ได้แล้วจะสวดมนต์ได้หรือจ้าหลวงพอ่อได้สินั่งไม่ได้ก็นอนสวดการสวดมนต์ใช้ปากกับใจสองอย่างเท่านั้นเอาละ่ะอาตมาเห็นต้องลาขอให้โยมกับลูกบังมีสีสุขนะโยมนะ สาธุนางยกมือประนมเหนือสีจะแล้วบอกลูกว่าไอ้หนูลงไปส่งหลวงพ่อท่านเออหาน้ำให้ท่านไปชั้นกลางทางด้วยท่านอุตส่าห์มาโปรโ ด, ดถึงบ้านแม่จ๊ะเดี๋ยวหนูไปเอาน้ำฝนในกระบอกถวายท่านไปไว้ชั้นกลางทางหนุ่มน้อยพูดแล้วก็ลุกไปจัดการ รุหนึ่งก็นํากระบอกไม้ไผ่บรรจุน้ําฝนมาถวายท่านพระครูขอบใจมากนะพ่อหนุม่มอาตมาขออนุโมทนาขอให้พ่อหนุ่มจำเริญจำเริญ น, นะท่านอวยใจให้พรหนุ่มน้อยจึงก้มลงกราบสามครั้งจากนั้นจึงตามลงมาส่งท่านหลวงพ่อจะทุดดงไปที่ไหนครับเขาถามไปภูคาจังหวัดน่านพ่อหนุ่มรู้จักหรือเปล่า ไม่รู้จักครับเอาล่ะอาตมาขอลาพ่อหนุ่มดูแลแม่ให้ดีนะครับหลวงพ่อเขารับคำก้มลงกราบสามครั้งอีกคราท่านเดินลับผู้ไม้ไปแล้วจึงขึ้นมาบนเรือนเห็นเงินกลมสองก้อนวางอยู่ก็นึกขึ้นได้ว่าควรจะถวายท่านไว้เป็นที่ระลึกจึงหยิบเงินกลมมากำไว้แล้วก็รีบลงบันไดวิ่งตามท่านไป วิ่งไปจนเหนื่อยก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะพบท่านยืนหอบแหกๆอยู่กลางทางพลางพูดกับตัวเองว่าสงสัยพระธุดงองค์นี้จะเป็นเทวดาแปลงมาหากเป็นมนุษย์ก็คงเดินไม่เร็วขนาดนี้คิดแล้วก็มีอันขนลุกสู้ไปทั้งตัวเกิดความกลัวอย่างบอกไม่ถูกเขาหันหลังกลับและวิ่งเต็มกำลังประเดี๋ยวหนึ่งก็มานั่งหอบแฮกๆอยู่บนเรือน แม่จ๋าหลวงพ่อองค์นี้ไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาหรอกจ้ะเขาพูดเสียงละล่ำละลักอะไรทาให้เอ็งคิดอย่างนั้นละ่ะไอ้หนูแม่ถามลูกชายก็หนูวิ่งตามท่านไปติดติดยังไม่ทันไม่รู้ท่านหายไปยังไงท่านอาจจะเป็นเทวดาอย่างเอ็งว่าก็ได้แสดงว่าเราโชคดีมีเทวดามาโปรดงั้นเอ็งลองไปดูซิว่าไตทุนบ้านเรา มีหายใส่เงินกลมฝังอยู่จริงหรือเปล่าหนุ่มน้อยลุกออกไปสักพักก็ขึ้นมาบอกมารดาว่าแม่จา๋ามีจ้ะหายบ่เร้อเลยเรารวยแล้วถ้าอย่างนั้นหลวงพ่อท่านก็ต้องเป็นเทวดาแน่นอนเจ้าประคุณเป็นบุญเลือเกินอยู่ๆก็มีเทวดามาโปรโดถึงบ้าน ออกจากบ้านสองแม่ลูกมาแล้วสมภารวัดป่ามะม่วงก็ใช้คาถาย่นระยะทางเพื่อจะได้ให้ถึงภูคาโดยเร็วที่ใดไม่มีบ้านคนท่านก็ใช้คาถาแต่ถ้าพบบ้านคนก็จะใช้เห็นหนอตรวจสอบก่อนว่าเขาทุกข์ร้อนและต้องการความช่วยเหลือหรือไม่แล้วท่านก็สงเคราะห์เป็นรายรายไปกระทั่งพบค่ําจึงมาถึงภูคา และพบหลวงพ่อดำภิกษุรัตัญยูนั่งเด่นเป็นสง่าอยู่โคนต้นไทรท่านจึงตรงเข้าไปทำความเคารพหลวงพ่อมาถึงนานแล้วเหรอครับท่านถามเพราะความเคยชินเสียมากกว่านานแล้วและเราก็มีงานให้เธอทำชาวบ้านกำลังเดือดร้อนพรุ่งนี้เราต้องไปแพะเมืองผีด้วยกันเพื่อช่วยเหลือพวกเขา เกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาเหรอครับทำไมต้องที่แพะเมืองผีเพราะชาบ้านแถวนั้นกำลังเดือดร้อนพวกผีดิบออกมารังควานชาวบ้านในตอนกลางคืนเราต้องไปปราบผีดิบปราบผีดิบเหรอครับถูกแล้วจะใช้อะไรปราบครับผมเป็นพระธุดงค์ยาดกันผีก็ไม่มีมีดหมอก็ไม่ได้เอามาเธอมีสิ่งเหล่านี้ด้วยหรือมีสิครับหลวงพ่อ เพราะผมได้รับนิมนต์ให้ไปปราบผีอยู่บ่อยๆก็เลยต้องมีอาวุธไว้ป้องกันตัวแล้วเธอเคยใช้อาวุธเหล่านั้นบ้างไหมไม่เคยครับส่วนใหญ่ผมจะใช้อาวุธของพระพุทธเจ้าแทนแล้วมีทําไว้ทําไมมีไว้ป้องกันตัวครับถึงไม่เคยเอาออกมาใช้แต่มีไว้ให้มันอุ่นใจครับต่อไปนี้เธอไม่ต้องมีสิ่งเหล่านั้นก็ได้เพียงระลึกถึงพระรัตนตรัย ขอถึงพระรัตนตรยัยว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกเท่านี้ก็พอเพราะบัดนี้เธอถึงแล้วซึ่งความไม่สะดุ้งกลัวภัยใดๆอีกครับหลวงพ่อแต่ถึงผมจะไม่ต้องสะดุ้งกลัวภัยใดๆอีกแม้แต่แม้แต่ภายในวัตัดสงสารแต่ผมก็ยังอยากเก็บพยันและมีดหมอไวเป็นที่ระลึกครับผมขออนุญาตเก็บต่อไปนะครับ เธอนี่พิลึกเอาเถอะอยากจะเก็บก็ไม่ว่าแต่พรุ่งนี้ไม่ต้องใช้อาวุธใดๆทั้งสิ้นใช้จิตอย่างเดียวก็เกินพอ